แนะนำบทอัลมุซซัมมิลบทอัลมุซซัมมิลเป็นบทมักกียะห์มี 20 องค์การที่กล่าวถึงมุมหนึ่งของการดำรงชีวิตของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการตั้งจิตมั่นจงรักภักดีและยืนขึ้นละหมาดในเวลากลางคืนและการอ่านคัมภีร์ของอัลเลาะห์แก่นหลักของบทกล่าวถึงภารกิจของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุนี้จึงขนานนามบทนี้ว่าอัลมุซัมมิล บทนี้ได้เริ่มด้วยการเรียกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างสุภาพอ่อนโยนที่แสดงถึงความเมตตาปราณีของอัลเลาะห์ต่อพวงบ่าวและรอซูลของพระองค์ซึ่งท่านได้ใช้ความพยายามในการภักดีต่ออัลเลาะห์โดยหวังความโปรดปรานจากพระองค์ต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการประทานองค์การซึ่งอัลเลาะห์ทรงมอบหมายแก่รอซูลของพระองค์เพื่อทําหน้าที่เผยแผ่แก่ผู้คนด้วยความขยันหมั่นเพียร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 และการตกใจซึ่งจะทําให้สีสากของเด็กๆกลายเป็นสีขาวบทนี้ได้จํลงด้วยการผ่อนผันของอัลเลาะห์แก่รอซูลของพระองค์และบรรดามุมินผู้ศรัทธาจากการยืนละหมาดตะฮัจญุดในเวลากลางคืนเป็นความเมตตาแก่ท่านและบรรดามุมินผู้ศรัทธาทั้งนี้เพื่อจะได้ให้ท่านรอซูลและบรรดาสาวกของท่านนบีมีเวลาปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ دوพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงเมตตาเสมอยาอัยยุลมุซัมมิลโอ้ผู้คลุมกายอยู่นั้นภูมินัยลาอิลลากะลีลาจงยืนขึ้นละหมาดในเวลากลางคืนเว้นแต่เพียงเล็กน้อยไม่ใช่ตลอดคืนนิสฟะฮูอะวินกุซมินฮุกะลีลา ครึ่งหนึ่งของกลางคืนหรือลดน้อยกว่านั้นเพียงเล็กน้อยออซิดูอะลัยฮิวะรัตติลิลกุรอานตักตีลานหรือเพิ่มกว่านั้นและจงอ่านอัลกุรอานช้าๆเป็นจังหวะอินนาซะนุลกีอะลัยกะตอลันตะกีลานถ้าจริงเราประธานพจนาถองค์การอันหนักหน่วงแก่เจ้า ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا แท้จริงการตื่นขึ้นในเวลากลางคืนนั้นเป็นเวลาที่ประทับและเป็นการอ่านที่ชัดเจนยิ่ง ان لك في النهار سبحا طويلا แท้จริงสำหรับเจ้านั้นในเวลากลางคืนมีภารกิจมากมาย اذكر اسم ربك وتبت اليه تبتينا และจงรำลึกถึงพระนามแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าและจงตั้งจิตมั่นต่อพระองค์อย่างเคร่งครัดร็อบบุลมัชริกวัลมัฆริบลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอัตตะคิธุวะคีลันพระผู้อภิบาลแห่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ดังนั้นจงยึดเอาพระองค์เป็นผู้คุ้มครองเถิดวัสบิอะลามายะกูลูนวะฮ์จูรฮุมฮะจ์รันญะมีลันและจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวร้ายและจงแยกตัวออกจากพวกเขาด้วยการแยกตัวอย่างสุภาพวะดะฟนีวัลมุกัซซิบีนอูล์อันนะอะมะติวะมะฮิลฮุมกะลีลันและจงปล่อยข้าและบรรดาผู้ปฏิเสธผู้สําราญ และจงผ่อนผันให้แก่พวกเขาสักเล็กน้อยอินนาลัยนาอันกะลอวะญะฮีมาถ้าจริงนะที่เรานั้นมีโซ่ตรวนและกองไฟลุกโชนวะตัลมันซะกัสซะติวะอะซาบันอะรีมา และอาหารที่ติดลําคอและการลงโทษอันเจ็บปวด Yawma tarjuthul ardhu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahilan วันที่แผ่นดินและภูเขาจะสั่นสะเทือนและภูเขาจะกลายเป็นกองทรายไหลพรู่ Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum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 วันนั้นชั้นฟ้าจะแยกออกและสัญญาของพระองค์จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยอินนาฮาดีตัซกิรอะฟะมันชาอัตตะขะซะอิลอร็อบบิฮีซะบีลาแพทติงนี่คือข้อเตือนสติดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็พึงยึดถือเป็นแนวทางไปสู่พระผู้อภิบาลของพวกเขาเถิด ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتابع عليكم فقرا ما تيسر من القران عَالِم أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّضًا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ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 แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงรู้ดียิ่งว่าเจ้ายืนละหมาดเกือบ 2 ใน 3 ของกลางคืนและบางครั้งครึ่ง 1 ของมันและบางครั้ง 1 ใน 3 ของมันพร้อมกับจํานวน 1 ของบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเจ้าและอัลเลาะห์ทรงกําหนดเวลากลางคืนและกลางวันพระองค์ทรงรู้ดีว่าพวกเจ้าไม่สามารถที่จะกําหนดเวลาได้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงผ่อนผันให้แก่พวกเจ้า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 ที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เพื่อตัวของพวกเจ้าเองพวกเจ้าก็จะพบมันณที่อัลเลาะห์ซึ่งเป็นความดีและผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นพวกเจ้าจงขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ถ้าจริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ